คนส่วนมากเมื่อต้องการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดของตนมักจะเป็นผู้พูดมากเสียคนเดียวโดยเฉพาะคนเดินตลาดขายสินค้าเป็นผู้หลงผิดในการกระทํานี้อย่างมากทางที่ดีควรให้ผู้ที่เราไปติดต่อเป็นผู้พูดทั้งนี้ก็เพราะเขาย่อมมีความรู้ในกิจการของเขาและปัญหาของเขาดีกว่าท่านดังนั้นท่านจงถามเขาด้วยคาถามบางประโยคเพื่อให้เขาคุยกับท่านบ้างตามสมควร ถ้าหากท่านไม่เห็นพ้องกับเขาท่านคงนึกอยากจะแย้งเป็นแน่แต่อย่าทำเช่นนั้นเป็นอันขาดมันมีอันตรายเขาจะไม่เอาใจใส่กับท่านในยามเขามีความคิดเห็นใหม่ๆของเขาที่จะคุยอวดเป็นการบระบายออกมาดังนั้นท่านจงพยายามฟังอย่างติดเนื้อต้องใจและด้วยน้ำใสใจจริงและจงสนับสนุนให้เขาแสดงความคิดเห็นของเขาอย่างเต็มที่จะได้ผลไหมถ้านำวิธีนี้มาใช้ในธุรกิจ เราคอยดูความจริงกันดีกว่าต่อไปนี้คือเรื่องของชายผู้หนึ่งซึ่งจำต้องพยายามบังคับตนเองให้ปฏิบัติตามหลักที่กล่าวแล้วเมื่อไม่กี่ปีมานี้บริษัทสร้างรถยนต์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาติดต่อกับบริษัทเครื่องทอเพื่อซื้อผ้าสำหรับใช้ในการตกแต่งภายในตัวรถตลอดเวลาหนึ่งปี โรงงานทอผ้ามีชื่อเสียงสามแห่งเคยสร้างผ้าชนิดที่บริษัทรถยนต์ต้องการและส่งผู้แทนนำตัวอย่างมาให้ดูผ้าเหล่านี้เจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้าของบริษัทรถยนต์หมู่หนึ่งเป็นกรรมการตรวจพิจารณาและแจ้งไปให้โรงงานทอผ้ารู้ว่าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้บริษัทจะบอกความตกใจแก่ผู้แทนของโรงงานว่าจะทำสัญญาซื้อหรือไม่มิสเตอร์อาร์ เป็นผู้แทนของโรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งเขามาถึงเมืองที่บริษัทรถยนต์ตั้งอยู่พร้อมกับเป็นโรคหลอดคออักเสบอย่างร้ายแรงเมื่อถึงเวรของผมที่จะพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการตรวจพิจารณาในที่ประชุมมิสเตอร์อาร์กล่าวขณะเขาเล่าเรื่องนี้หน้าชั้นการศึกษาชั้นหนึ่งของข้าพเจ้าผมไม่มีเสียงเลยแม้แต่กระซิบก็ทาด้วยความลาบาก ผมนำร่างเข้ามาในห้องของกรรมการและเผชิญหน้าท่านเหล่านั้นซึ่งประกอบอยู่ด้วยวิศวกรฝ่ายเครื่องผ้าผู้จัดการแผนกซื้อผู้อำนวยการแผนกขายและประธานของบริษัทผมลุกขึ้นยืนและพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะพูดแต่สิ่งที่ผมสามารถทำได้ก็คือร้องแหลมๆเหมือนเสียงหนูพวกกรรมการนั่งอยู่รอบๆโต๊ะผมจึงเขียนลงไปบนแผ่นกระดาษชิ้นหนึ่งท่านสุภาพบุรุษทั้งหลาย เสียงของผมแห้งหมดแล้วผมพูดไม่ได้ผมจะพูดแทนคุณท่านประธานของบริษัทพูดขึ้นเขาทำตามที่พูดจริงๆเขาเอาตัวอย่างผ้าของผมออกมาให้กรรมการคนอื่นๆดูและพูดอวดอ้างถึงคุณภาพของผ้าเหล่านั้นได้มีการโต้แย้งกันถึงเรื่องความดีของผ้าอย่างเต็มที่ประธานของบริษัทในฐานะผู้พูดแทนผมเข้าข้างผมตลอดเวลาเมื่อมีการโต้แย้งกัน ผมมีส่วนช่วยเขาบ้างก็เพียงแต่ยิ้มโค้งหัวและทำกิริยาท่าทางประกอบบางอย่างเท่านั้นผลของการประชุมอันแปลกประหลาดนี้ก็คือคณะกรรมการตกลงเซ็นสัญญาซื้อกับผมคิดเป็นจำนวนผ้ามากกว่าหกล้านหลาซึ่งราคาประมาณหนึ่งล้านหกแสนเหรียญเป็นการสั่งซื้อใหญ่ที่สุดที่ผมเคยได้รับผมรู้ดีว่าผมคงจะไม่ได้สัญญาซื้อนี้เลยถ้าเสียงของผมไม่หายไป เพราะผมมีความคิดในการเสนอขายไปในอีกแบบหนึง่งคือใช้เสียงของผมพูดผมได้ค้นพบโดยบังเอิญแท้ๆว่าในบางครั้งการปล่อยให้ผู้อื่นเป็นฝ่ายพูดจะนำประโยชน์อย่างล้ำค่ามาให้โยเซฟเวฟเฟแห่งบริษัทฟิลาเดลเฟียอิเล็กทริกได้ค้นพบอย่างเดียวกันมิสเตอร์เวฟเดินทางไปสำรวจยางชนบทอันไกลความเจริญตาบลหนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งชาวดัตทาฟาร์มกันอย่างคึกคัก ทำไมคนเหล่านั้นจึงไม่ใช้ไฟฟ้าเขาถามผู้แทนประจำอำเภอของบริษัทคนหนึ่งขณะกำลังเดินผ่านบ้านเจ้าของฟาร์มหลังหนึ่งคนพวกนี้ขี้เหนียวอย่างที่สุดท่านจะขายอะไรให้เขาไม่ได้เลยเป็นคำตอบของผู้แทนประจำอำเภอด้วยความระอิดระอาและนอกจากนั้นคนพวกนี้เห็นว่าการที่บริษัทเสนอขายอะไรๆให้เป็นการรบกวนผมเคยพยายามมาแล้วไม่ได้ผลเลยอาจจะเป็นเช่นนั้นจริงแต่มิสเตอร์เวบ ตกลงใจที่จะลองใช้ความพยายามดูบ้างเหตุนี้เองเขาจึงเคาะประตูบ้านฟาร์มหลังนั้นประตูบ้านเปิดแย้มนิดหนึ่งมีหน้าของนางดักเกนบ็อกชราโผลออกมาในทันทีที่หลอนเห็นผู้แทนของบริษัทมิสเตอร์เว็บพูดขณะเล่าเรื่องนี้หลอนกระแทกประตูใส่หน้าเราผมเคล้ อ, อีกครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งหลอนเปิดประตู คราวนี้เองหลอนเริ่มต้นบอกเราว่าหล่อนมีความคิดเห็นในตัวเราและบริษัทของเราอย่างไรบ้างมิสซิสดักเกนบล็อกผมพูดผมเสียใจมากที่มารบกวนป้าแต่ผมไม่ได้มาหาป้าเพื่อจะเสนอให้ป้าต่อไฟฟ้าใช้ผมอยากซื้อไข่ตั้งหากหลอนเปิดประตูกว้างยิ่งกว่าเก่าและมองเราอย่างไม่ไว้ใจผมได้เห็นฝูงไก่โดมินิกของป้าผมพูดมันสวยมากผมอยากซื้อไข่สดๆของไก่พวกนี้สักสองโหล ประตูเปิดกว้างยิ่งขึ้นคุณรู้ได้อย่างไรว่าแม่ไก่ของฉันเป็นพันโดมินิกหลอนถามแสดงอาการภูมิใจผมเลี้ยงไก่เหมือนกันผมตอบผมขอพูดด้วยความสัตย์จริงว่าผมไม่เคยเห็นฝูงไก่โดมินิกที่ไหนสวยอย่างนี้ถ้างั้นทำไมคุณไม่ใช้ไข่จากไก่ที่คุณเลี้ยงละ่ะหลอนตั้งคําถามยังมีอาการสงสัยอยู่ตามเดิมเพราะว่าไก่ล็อกฮอนของผมไข่มันสีขาวตามปกติในฐานป้าก็เคยทําขนม ป้าคงจะรู้ดีแล้วว่าถ้าใช้ทำขนมเคก้กไข่สีขาวสู้ไข่สีน้ำตาลไม่ได้เมียของผมชอบทำขนมเค้กเสียด้วยขณะ น, นี้นางดรักเกนบล็อกกล้าออกมาหน้าบ้านด้วยอาการเป็นกันเองยิ่งขึ้นในเวลาเดียวกันตาของผมกวาดมองไปรอบๆและพบว่าที่ฟาร์มนี้มีแม่วัวนมฝูงหนึ่งซึ่งมีลักษณะสวยงามมากตามที่ผมสังเกตเห็นมิสซิดรักเกนบล็อกผมพูดต่อไปผมกล้าท้าพนันได้ว่า ป้าหาเงินจากเลี้ยงไก่มากกว่าผัวของป้าหาได้จากเลี้ยงวัวนมเสียอีกโผงได้การเลยหล่อนหาเงินได้มากจริงๆเหมือนผมพูดหล่อนเล่าให้ผมฟังอย่างปลื้มอกปลื้มใจหล่อนว่าผัวของหล่อนหัวแข็งไม่ยอมรับว่าทํารายได้สู้หล่อนไม่ได้หล่อนเชิญเราไปดูเล้าไก่ซึ่งจากการเที่ยวเดินดูรอบๆเล้าผมสังเกตเห็นการสร้างโน่นนี่นี่นอยของหล่อนผมจึงได้เห็นพ้องด้วยน้ำใสใจจริงและยกย่องชมเชยอ ย, อย่างเต็มที่ ผมสนับสนุนหลอนในเรื่องการให้อาหารบางอย่างและการจัดระดับความร้อนในการฟักไข่และขอคำแนะนำจากหลอนหลายประการคราวนี้เราต่างแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยความเพลิดเพลินตลอดเวลาทัานทีทันใดนั่นเองหลอนบอกผมว่าเพื่อนบ้านบางคนของหลอนใช้ไฟฟ้าในเล้าไก่และเขาเหล่านั้นอวดอ้างว่าได้ผลอย่างยอดเยี่ยมหลอนถามความเห็นจริงใจของผม ว่าหลอนจะทำเช่นนั้นบ้างจะได้ผลอย่างเดียวกับเพื่อนบ้านเหล่านั้นหรือไม่สองสัปดาห์ต่อมาแม่ไก่ของนางดรักเกนบ็อกร้องและคุยเคียอย่างสุขสาราณท่ามกลางแสงสว่างของไฟฟ้าทั้งนี้เนื่องจากหลอนสั่งผมให้จัดการผลก็คือไก่ของหลอนไข่มากขึ้นเป็นอันว่าทั้งสองฝ่ายต่างได้รับความพอใจและประโยชน์ด้วยกันแต่จุดสาคัญของเรื่องผมไม่มีโอกาสทาให้เมียเจ้าของฟาร์มชาวดัตในเพนซิเวเนียติดไฟฟ้าเลย ถ้าผมไม่ปล่อยให้หล่อนเป็นผู้พูดถึงมันขึ้นก่อนคนชนิดนี้บอกขายอะไรอะไรให้ไม่สำเร็จท่านต้องปล่อยให้ออกปากซื้อเองเมื่อเร็วๆนี้มีโฆษณาขนาดใหญ่ในหน้าเศรษฐกิจและการเงินของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กเฮอรันตรีบูนแสดงความประสงค์จะจ้างชายซึ่งมีสมรรถภาพสูงและมีความชำนาญเป็นพิเศษชาตทีคิวเบลลิสตอบโฆษณานั้นด้วยส่งจดหมายของเขาไปยังเลขตู้ไปรณีที่บอกไว้ ต่อมาอีกสองสามวันเขาได้รับจดหมายเชิญให้ไปทำการสัมภาษณ์ที่สำนักงานของบริษัทก่อนไปยังบริษัทนี้เขาใช้เวลาหลายชั่วโมงที่ถนนวอนสืบหาความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับผู้เริ่มตั้งบริษัทในระหว่างการสัมภาษณ์เขาพูดขึ้นผมจะรู้สึกภูมิใจอย่างที่สุดถ้าผมมีโอกาสได้ทำงานกับบริษัทซึ่งสร้างประวัติการอันงามเช่นบริษัทของท่านผมรู้ว่า ท่านเริ่มต้นเปิดบริษัทนี้เมื่อ28ปีมาแล้วและเมื่อแรกเปิดมีห้องทำงานเพียงห้องเดียวและมีพนัก ง, งานชวาวเลกเพียงคนเดียวจริงไหมครับผู้ประสบความสำเร็จเกือบทุกคนชอบระลึกถึงการต่อสู้ดิ้นรนของตนในอดีตชายผู้นี้ไม่ได้อยู่ในข่ายยกเว้นเขาคุยเป็นเวลานานถึงชีวิตของเขาแต่หนหลังซึ่งเขาเริ่มงานด้วยมีเงินทุนเป็นเงินสดอยู่เพียง450เหรียญพร้อมกับความคิดที่แปลกและใหม่ เขาเล่าถึงว่าเขาได้เผชนกับความท้อใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและการต่อสู้กับคำย่อเย้ยของใครต่อใครอย่างไรต้องทำงานในวันอาทิตย์และวันหยุดอย่างไรและทำงานวันหนึ่งวันหนึ่ง 12-16 ชั่วโมงอย่างไรและผลสุดท้ายเขาทำอย่างไรจึงได้ประสบชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งมวลจนกระทั่งเวลานี้คนใหญ่โตที่สุดในถนนวอนต่างพากันมาหาเขาเพื่อปรึกษาหารือและขอคาแนะนา เขารู้สึกภูมิใจต่อเกียรติประวัติอันงามนี้อย่างยิ่งเขามีสิทธิที่จะภูมิใจและสมควรแก่เวลาแล้วที่จะคุยอวดเสียบ้างสุดท้ายขอถามมิสเตอร์คิวเบลิสเพียงสั้นๆถึงความชำนาญในการงานแล้วเรียกรองประธานซึ่งเป็นผู้ช่วยของเขาให้มาหาและพูดผมคิดว่าคุณคนนี้คือผู้ที่เราต้องการมิสเตอร์คิวเบลิสยอมลำบากสืบถามประวัติชีวิตต่อสู้ไปสู่ความสาเร็จของผู้ที่จะเป็นนายจ้างของเขาทั้งนี้ แสดงว่าเขาสนใจต่อความเป็นไปของอีกฝ่ายหนึ่งเขาสนับสนุนกําลังใจให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหน้าที่พูดเสียส่วนใหญ่และพูดด้วยความเพลิดเพลินมีความจริงอยู่ว่ามิตรสหายทั้งหลายของเราพอใจที่จะคุยกับเราถึงเรื่องความสําเร็จต่างๆของเขายิ่งกว่าที่จะฟังเราโม้ถึงเรื่องของเราลาโรเซฟูโกนักปราชญ์ฝรั่งเศสวงเล็บเปิดคิสตหนักร้อยสามสิบเอด รถึงคิตสุสการาต 1,680 วงเล็ปิดกล่าวถ้าท่านต้องการศัตรูจงเป็นคนเก่งกล้าสามารถเหนือกว่าเพื่อนของท่านแต่ถ้าท่านต้องการมิตรจงให้เพื่อนของท่านเก่งกล้าสามารถเหนือไปกว่าท่านเหตุใดวาทานนี้จึงเป็นความจริงเพราะว่าเมื่อเพื่อนของเราเก่งกล้าสามารถเหนือกว่าเราเขาจะเกิดความรู้สึกเป็นคนสําคัญ แต่ถ้าเราเก่งกล้าสามารถเหนือกว่าเขาเขาจะเกิดความรู้สึกต่ำต้อยและก่อให้เกิดความอิจฉาริษยาชาวเยอรมันมีสุภาษิตอยู่ประโยคหนึ่งความพิติยินดีอย่างแท้จริงก็คือความพิติยินดีซึ่งเราได้รับจากเคราะหกรรมของผู้อื่นแน่นอนเพื่อนบางคนของท่านอาจจะรู้สึกพอใจในเคราะกรรมของท่านยิ่งไปกว่าชัยชนะของท่านก็ได้เพราะฉะนั้น เราจงอย่าฟุ้งซ่า ent, นโอ้อวดในความสำเร็จของเราแต่เราจงถ่อมตนเอาไว้จึงจะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้อื่นเออร์วินคอปรู้จักใช้เทคนิคนี้อย่างดียิ่งครั้งหนึ่งทนายความถามคอบซึ่งยืนอยู่ในคอกพยานที่ศาลมิสเตอร์คอปผมรู้ว่าท่านเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในอเมริกาจริงไหมครับผมค่อนข้างจะโชคดีกว่าที่ผมควรได้รับคอปตอบ เราควรถ่อมตัวของเราทั้งนี้ก็เพราะเมื่อสรุปแล้วท่านและขาข้าพเจ้าก็ไม่วิเศษวิโสกว่ากันจากนี้ไปอีกหนึ่งศตวรรษท่านและข้าพเจ้าต่างจะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้และจะไม่มีใครรู้จักชีวิตเป็นของสั้นจนเกินไปเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตอันสั้นของเราสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่นด้วยการคุยโอ้อวดถึงความสําเร็จขี้ปฏิ๋วของเราเราจงส่งเสริมให้ผู้อื่นคุยเสียบ้างเถิด โปรดคิดดูเสียให้ดีท่านมิได้มีอะไรดีวิเศษมากมายที่จะคุยอวดโดยไม่รู้จักจบรู้จักสิ้นกันเสียทีท่านรู้ไหมว่าสิ่งใดในร่างกายของเราที่ช่วยท่านไม่ให้เป็นคนโง่เง่าเตาตุนสิ่งนั้นคือไอโอดีนจำนวนเล็กน้อยในต่อมไทรอยของท่านนั่นเองถ้าแพทย์เจาะต่อมไทรอยที่คอของท่านและเอาไอโอดีนออกจากต่อมนั้นเพียงเล็กน้อยท่านจะกลายเป็นคนโง่ทึบในทันที ไอโอดินเพียงเล็กน้อยซึ่งท่านสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาด้วยราคาเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นคือสิ่งสําคัญที่สามารถคุ้มครองจิตใจของท่านให้เป็นปกติอยู่ได้ไอโอดินเพียงบาทเดียวมันไม่ได้เป็นสิ่งมากมายอะไรนักที่ท่านควรจะเอามาโม้จริงไหมท่านดังนั้นถ้าเราต้องการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดของเรากฎที่6มีดังนี้จงปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้พูดเป็นส่วนมาก